เวลาเกิดความตายขึ้นมาเราก็จะไม่เสียหลักเราก็จะไม่ทุกไม่วุ่นวายกับความตายวิธีเจริญมรณนะนุสติทำอย่างไรก็เราต้องสมมุติว่าวันนี้เป็นวันตายของเราก่อนที่เราจะตายเราควรจะทำอะไรกันบ้างเหมือนกับวันที่เราแต่งงานก่อนที่เราจะแต่งงานเราจะต้องทำอะไรกันบ้าง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 การตายของพวกเราก็เป็นเหมือนกับการเปลี่ยนสถานที่อยู่เราจะออกเดินทางจากโลกธาตุรือโลกของดินน้ำลมไฟไปสู่โลกทิศเราก็ต้องมีการเตรียมการเตรียมสกุลเงินตราสกุลต่างๆที่เราจะเอาไปใช้ต่อไปถ้าเรามีการเตรียมการไว้ดีเราถึงเวลาเราก็จะไปได้อย่างสะดวกอย่างสบาย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 เกิดอุธาหรณ์ขึ้นมาได้เกิดมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้อย่างน้อยก็เกิดให้มีมานานุสติขึ้นมาได้คือจะได้ดำลึกถึงความตายของตอนเองอย่างสมัยที่เราครั้งแรกเห็นศพคนตายตอนนั้นก็อายุประมาณสิสองหรือสิบสามปีไปงานศพของเพื่อนนักเรียนที่ตายไปจมน้ำตายไปเขานับถือศาสนาคริสต์เขาก็เลยมีพิธีกรรมของศาสนาคริสต คือเขาจะแต่งศพให้สวยงามแต่งหน้าทาปากใส่เสื้อผ้าสวยงามใส่สูตรผูก넥ไทแล้วก็วางไว้ในโรงศพแล้วก็เปิดโรฟ้าโรงให้ผู้ที่มาคารวะศพได้เห็นศพกันตอนที่เราเห็นนั้นจิตของเรามันก็เกิดมโนานัสติขึ้นมามันเริ่มพิจารณาว่าร่างกายของเขากับร่างกายของเรานี้มันก็เหมือนกันเขาตายเราต่อไปเราก็ต้องตาย นอกจากเราแล้วทุกๆคนที่เรารู้จักก็ต้องตายเหมือนกันคนที่เรารักเราเคารพคนที่เราไม่อยากให้เขาตายจากเราเขาก็ต้องตายจากเราไปเหมือนกันเช่นวิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายจิตมันก็เจริญบอดอละสติไปหมดนึกถึงใครก็นึกถึงว่าเขาก็ต้องตายนึกถึงร่างกายของเราเราก็ต้องตายมันก็เลยเกิดความเตรียมตัวเตรียนใจไว้ตั้งแต่แบบนั้นมา เวลาใครตายรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเสีย อ, อกเสียใจจะไม่ค่อยวุ่นวายใจแล้วสัมรสายได้อย่างได น, นี่คืออา น, นิสงส์ที่เราจะทําให้ผู้อื่นได้ถ้าเราติดภาพตายของเราไว้ที่หน้าลรงศพเวลาที่เราตายไปให้สั่งให้ใครไว้ช่วยถ่ายภาพตอนที่เราตายแล้วก็เอาไปขยายร่งไว้ที่หน้าลรงศพเวลาใครมาคารวะศพเขาจะได้เห็นศพของเราแล้วเขาจะได้เกิด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 รับสมบัติข้าของเงินทองอะไรต่างๆที่เรามีเหลืออยู่ก็เอาไปยกให้คนอื่นไปจะเอาไปทําบุญก็ได้ทําบุญที่วัดก็ได้ที่โรงเรียนก็ได้ที่โรงพยาบาลก็ได้ให้ลูกหลานไปก็ได้เตรียมการให้พร้อมทาทานทํายิ่งใหญ่มีเท่าไหร่ก็ทําให้หมดแล้วก็ไปอยู่จำํำศีลไปรักษาศีลไปภาวนาไปทําใจให้สงบแล้วก็จเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญา พิจารณาร่างกายว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวร่างกายอันนี้ก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมของเขาก็คือกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟเวลาเอาไปเผาก็จะเหลือแต่เศษกระดูกกับขี้เถ้านี่คือร่างกายของเราที่เราลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราความจริงมันก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเริ่มต้นด้วย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 ลมก็คือลมหายใจนี่เองน้ำก็คือของเหลวต่างๆที่รับประทานเข้าไปดินกาไฟก็คือของแข็งอาหารต่างๆอาหารนี้มีทั้งดินมีทั้งไฟมีทั้งน้ำมีทั้งลมผสมอยู่ในนั้นด้วยเมื่อเข้าไปในร่างกายก็ไปเปลี่ยนไปเป็นอาการสามสิบสองเป็นผมเป็นขนเป็นเล็กเป็นฟันเป็นอวัยวะต่างๆถ้าไม่ได้รับการตอบตามธาตุทั้งสีนี้ร่างกายจะเจริญเติบโตขึ้นมาไม่ได้ สมมติว่าพอคลอดออกมาแล้วก็ไม่เลี้ยงไม่ให้นมไม่ให้น้ําไม่ให้อาหารไม่ให้อากาศร่างกายก็จะต้องหยุดการเจริญเติบโตและจะต้องเสื่อมสลายไปก็จะกลายเป็นดินน้ํำนม ไ, ไปไปตั้งแต่วันที่คลอดออกมาแต่ถ้าได้รับการเติมธาตุทั้งสีอยู่อย่างเรื่อยๆอยู่อย่างต่อเนื่องร่างกายก็จะเจริญเติบโต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 เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายไปตายไฟก็สลายไปจากอาการสามสิบสองก็สลายกลายเป็นดินน้ํำลมไฟไปส่วนที่เป็นลมก็หายไประเหยออกไปส่วนที่เป็นไฟก็จางหายไปร่างกายเวลามีชีวิตอยู่จะมีอุณหภูมิมีความอบอุ่นแต่พอร่างกายตายไปแล้วไม่หายใจร่างกายก็จะเย็นเฉียบน้ําก็จะมีการแยกไหลออกมา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 และไม่มีความเห็นที่ถูกต้องคือไม่มีสัมมาทิฏฐิมีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเนช่องเห็นว่าร่างกายเป็นตนเป็นตัวตนจึงเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจเกิดเพราะอะไรเพราะเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่เองนี้ถ้าได้เจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆจนเห็นความจริงใจก็จะปล่อยวางร่างกายใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ กับความเจ็บกับความตายนี่คืองานของการเจริญวานะนัสติเพื่อให้ดับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายถ้าไม่เจริญวามะสติไม่พิจารณาความตายก็จะไม่เห็นความจริงเหล่านี้ก็จะถูกมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นช่องครอบงาใจหลอกให้ใจคิดว่าร่างกายเป็นใจแล้วใจก็วุ่นวายทุกข์ไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย ร่างกายก็เป็นเหมือนร่างกายของผู้อ so like ื่ดีๆเหมือนกันร่างกายของคนนั้นของคนนี้มีอาการสาสิบสองเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทํามาจากดินน้ําลมไปเหมือนกันทําไมร่างกายของคนอื่นจึงไม่ทําให้เราทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่ไปหลงคิดว่าเป็นของเรานั่นเองแต่ทําไมร่างกายของลูกของเราจึงทําให้เราทุกข์ก็เพราะว่าเราไปคิดว่าเป็นลูกของเรานัเนเ่ยไปหลงคิดว่าเป็นลูกของเราควาจริงเขาเป็นลูกของดินน้ําลมไป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 เป็นของที่เกิดมาแล้วจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไปถ้ามีการจเจริญมรรคสติจเจริญอ น, นิจจังอยู่เรื่อยๆความหลงก็จะถูกทำลายไปความจริงก็จะปรากฏให้ใจได้รู้ได้เห็นพอใจได้เห็นแ้ ว, ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของดินน้ำลมไฟเราเพียงแต่มาอาศัยเขาอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเขาต้องจากเราไปในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนเช่นวันนี้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 หรือคนขอทานข้างถนนเป็นเหมือนกันหมดอันนี้คือร่างกายของทุกๆคนเป็นอย่างนี้ถ้าเราหมั่นจะลัมานานสติเราจะมีจิตใจที่มั่นคงมีจิตใจที่ไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนกับความจริงต่างๆที่จะปรากฏขึ้นมานี่คือภารกิจที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ให้ออกไปจากใจของเราการจรินมานานสตินี้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 มันก็จะสักแตว่ารู้รู้ตามความเป็นจริงรู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ตอนนี้ร่างกายยังอยู่ก็รู้ว่ายังอยู่ตอนนี้ร่างกายหยุดจากการหายใจแล้วก็รู้ว่ามันหยุดหายใจแล้วตอนนี้คนนั้นคนนี้มียังมีชีวิตอยู่ตอนนี้คนนั้นคนนี้ไดล้ตายไปแล้วก็รู้ไปตามความเป็นจริงจะไม่มีปัญหากิเลสก็มาเกี่ยวข้องด้วยพะไม่มีกิเลสัญหามาเกี่ยวข้องด้วยก็จะไม่มีความทุกข์เข้ามา หยียบยำทำลายจิตใจอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเราสามารถจเจริญวานานุสติได้อย่าง ส, างสางาม่ำเสมอการที่เราจะเจริญวานานุสติได้อย่างสม่สำเสมออย่างต่อเนื่องเพื่อที่ทําให้จิตของเราไม่หลงไม่ลืมไม่ให้ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราไม่ให้ไปคิดว่าร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็ต้องมีใจที่สงบก่อนเพราะถ้าใจไม่สงบนี้อิเลตันหาจะมีกําลังแรง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 ถ้าใจสงบมีอุเบกขาเป็นที่ตั้งแล้วกิเลสปัญหาโมหะวิอวิชชาจะสงบตัวลงไปจะไม่สามารถที่จะมาต่อต้านมาสร้างความไม่สบายอกไม่สบายใจเวลาที่เราจะเจริญมรณนานสติกันในความสงบนี้ก็มีขอบมีเขตถ้าเราออกจากความสงบแล้วใหม่ๆอุเบกขานี้จะมีกำลังมากเหมือนน้ำที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาเอาออกจากตู้เย็นใหม่ๆ น้ำยังเย็นเฉียบอยู่แต่ถ้าเราทิ้งไว้นานๆเข้าไปความเย็นของน้ำก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆและหมดไปได้ mm hmm. อุเบกขาก็เป็นเหมือนความเย็นของใจ mm hmm. เวลาออกจากสมาธิมาใหม่ๆจะมีอุเบกขามากใจจะสับแต่ว่ารู้จะเฉยๆจะไม่มีโมหะอวิชชากิเลสตัณหาออกมาเคลื่อนไหว mm hmm. แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งถ้าเราปล่อยให้เราคิดตรงแต่งไป เรื่อยๆเดี๋ยวอุเบกขาก็จะค่อย อ, อ่อนกำลังลงไปจางลงไปแล้วกิเลสปัญหาก็ <SM C. S 2> จะมีกำลัง hood. เพิ่มมากขึ้นมาก็จะออกมารบกวนการพิจารณาการเจริญมรรคสติเวลาออกจากสมาธ no ิมาใหม่ๆตอนที่จิตสงบเย็นสบายเป็นอุเบกขายังเป็นเวลาที่สมควรที่เหมาะต่อการเจริญปัญญาเป็นอย่างยิ่งควรเจริญนรรคสติกเจริญเตรียมตัวเตรียมใจสมมติว่าวันนี้เป็นวันตายของเรา เราต้องเตรียมอะไรไว้บ้างมีอะไรข้างๆอยู่ก็ทำให้มันเสร็จสับไปมีหนี่มีสินมีอะไรก็เอาไปใช้คืนเขาไปเพราะถ้าไม่ใช้เขาตายไปก็เหมือนกับเราเป็นโจรเป็นขโมยลักทรัพย์ของเขาไปขอยืมเงินเขาแล้วไม่คืนเงินให้กับเขาก็เป็นเหมือนกับการทำบาป ก, ก็จะมีโทษติดตัวไปได้งั้นเรามีอะไรข้างๆอยู่ติดข้างอยู่กับใครควรจะทาให้มันขาดออกจากกันให้ได้มีความรักมีความหวง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 ถ้าเขาไม่มีบุญเขาก็ต้องอยู่แบบตามกา ร, รมของเขาไปเราก็ไปทําอะไรไม่ได้นี่คือประโยชน์ในสิ่งที่จะทําให้เราทําได้ถ้าเร า, เ, ราเลิกถึงความตายถ้าเราสมมติว่าวันนี้เป็นวันตายของเราเราจะกล้าทําในสิ่งที่เราไม่กล้าทํามาก่อนที่เราไม่กล้าทาเพราะเราคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยเราจึงต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องมีบุคคล น, นั้นมีบุคคล น, นี้กลัวว่าถ้าไม่มีแล้วเราจะทุกข์เราจะวุ่นวายใจแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นตรงกันข้ามกัน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 ต้องมีนี่เพราะว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่มีความสงบถ้าเรามีความสงบเราจะเห็นความจริงได้ทัดเจนเราจะเห็นความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราแต่ถ้าใจเราไม่สงบเนี่เราจะมองไม่เห็นเพราะใจเราจะไม่มองเข้ามาที่ใจใจเราจะมองออกไปที่ข้างนอกแล้วเราจะไปหลงคิดว่าบุคคลนั้นบุคคลนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ความสุขกับเราเราจะไม่เห็นเวลาที่เขาให้ความทุกข์กับเรา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 ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไปก็ไดส่วนพระสูตรใดพระสวดหนึ่งไปท่องไปสวดไปใจก็จะเย็นใจก็จะสงบเวลานั่งสมาธิใจก็จะเข้าสู่อุเบกขาได้พอมีอุเบกขาแล้วเวลาออกมานี้ก็จะสามารถจเจริญมานานุสติได้คิดถึงความตายได้เตรียมตัวตายได้เตรียมว่าเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมรับกับความสูญเสียได้แต่มันก็จะได้ในระยะหนึ่งพอไม่นานพออุเบกขาเลื่อนอ่อนกําลังลงไป กิลสปัญหาก็จะออกมาส่งความรู้สึกที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นตอนนั้นก็ควรจะหยุดจเจริญปัญญาหยุดจเจริญมานาสติหยุดเตรียมตัวตายแล้วก็กลับเข้าไปสู่สมาธิเพื่ อ, เ, อเติมพลังของอุเบกขาใหม่เราเคยเข้าสมาธิได้อย่างไรเราก็ใช้วิธีนั้นถ้าใช้บริกรรมพุทโธก็กลับมาบริกรรมพุทโธใหม่ถ้าใช้อนาปนานสติดูลมหายใจเขาออ้าก็กลับมาดูลลมหายใจเข้าออกใหม่หยุดการพิจารณาความตายหยุดการเตรียมตัว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 ใครจะเป็นแชมป์กันเถ้าเขายัางชนะเราอยู่ก็แสดงว่าเรายังทําการบ้านไม่พอกําลังเรายังไม่มากพอไปแล้วใจสั่นขวัญแขวนเจอผีเจอสิงสาราศาร์แล้วใจสั่นไม่สงบไม่นิ่งไม่เป็นอุบเดกขาก็แสดงว่าสู้กิเลสตัณหาไม่ได้ตัวที่ทําให้ใจเราสั่นขวัญแขวนอยู่นี่ก็คือตัวกิเลสตัณหาคือตัวที่ไม่อยากตายนี่ตัววิภาวตัณหาความไม่อยากตาย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 สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราหมั่นเจริญมานานุสติกันอยู่เรื่อยๆถ้ายัางเจริญมานานุสติไม่ได้ก็ต้องเจริญสติอย่างอื่นไปก่อนเช่นพุทธานุสติหรือธรรมานุสติหรือกายากตาสติเกิดเฝ้าดูการเคลื่อนไหวาการทําอะไรต่างๆของร่างกายเพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งเพื่อดึงใจให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่ให้ไปอดีตไปอนาคตเพราะใจจะสงบได้ใจต้องอยู่ในปัจจุบันใจจะเป็นอุเบกขาได้ใจต้องอยู่ในปัจจุบันใจต้องระงรับความคิดปรุง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 เหมือนกับเวลาขึ้นไปชคบนเวทีนี่ไม่มีเวลาจะถามอโค้ชว่าตอนนี้จะต่อยแบบไหนดีเขามาบันาาบ้นก็มาแบบไหนเราก็ต้องรู้จักวิธีต่อสู้ของเขาถ้าเราไม่รู้เราก็จะต้องแพ้เขานี่แหละเป็นเรื่องที่เรียกว่าสันติโก้พูดปฏิบัติจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตัวเองยังทุกหรือไม่ทุกตัเองหลุดพ้นแล้วหรือ ย, ยังไม่หลุดพ้นเหมือนกับการรับประทานอาหารใครจะไปรู้ดีกับเราว่าอิ่มหรือ ย, ยังไปถามแม่ว่าแม่หนู ก, กินข้าวอิ่มหรือ ย, ยังแม่จะไปรู้ได้ยังไง แม่มีหน้าที่ป้อนก็ป้อนไปหนูก็มีหน้าที่กินก็กินไปถ้ากินไม่ลงมันก็อิ่มลแล้วอย่างถ้าปฏิบัติไปถ้ามันยังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังยังไม่สําเร็จถ้ามันไม่ทุกข์แล้วมันก็จะรู้เองว่าสําเร็จแล้วเสร็จภารกิจแล้วนี่คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่พวกเรามาปฏิบัติกันอย่างสม่าเสมออย่างต่อเนื่องก็ขอให้ได้นําเอาวิธีการเจริญมโนนั้นตสติในวันนี้ไปเจริญไปพิจารณาต่อ เพื่อประโยชน์คือความดับทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปกัรปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหันคิปาเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปจันโทปันนระโสยะถามณิโชติ ละโสยถาสภิติโยวิวัจจานตุสัพโรโควินั ส, สตุมาเตภวทวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานศีลิษะนิจังวุฒาปจ า, ายโนจัตารโธรรมวาทานติอายุวนโนสุขังภาลาง